ลงไปคิดเบอร์ยี่สิบก็หนีไปคิดใช่ไหม 64, หกสิบสี่ก็นีไปคิดรู้เบอร์ของตัวเองด้วยนะไม่ใช่ <laughs> พ่อเรียกแล้วก็ไม่รู้ว่ายอีกนะใจมันหนีไปคิดนะมันไม่รู้กายไม่รู้ใจเรียกว่าเราหนีความจริงเลยนั้นะต้องรู้สึกตัวนะสเต็ปที่หนึ่งรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วอย่ารู้สึกอยู่เฉยๆให้คอยรู้กายให้คอยรู้ใจไป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 เป็นอนัตตาคือมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงอย่างร่างกายเนี่ยมันเป็นอนัตตาเพราจริงๆมันเป็นวัตถุเป็นส่วนหนึ่งของโลกมนุษย์จริงๆนะเป็นแค่เศษธุลีขี้ผงเล็กๆในจักรวาลในโลกเท่านั้นเล็กนิดเดียวจะว่าไปแล้ว ม, มนุษย์เหมือนสัตว์เลี้ยงของโลกนะมนุษย์เป็นของโลกแต่มนุษย์คิดว่าโลกเป็นของฉันมันทุเลต ท, ทุเลต์นะ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 กายกใจเป็นตัวเราขลูกเมียสามีอะไรงี้ก็เป็นของเราบ้านของเรารถของเราทรัพย์สมบัติของเราชื่อของเราตำแหน่งหน้าที่การงานของเราของเราทั้งหมดเลยลของเราเสียไปนะก็เดือดร้อนถ้าของคนอื่นเสียไปไม่เดือดร้อนนะเราคอยฝึกนะฝึกไปแล้ววันหนึ่งมีแต่ความสุขล้วนๆเลยบอกไม่ถูกก็มีความสุขขนาดไหน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 ถ้าบรรลุพระอรหันต์แล้วเป็นคารวาสเนี่ยต้องตายตายในวันเดียวเลยไม่ใช่เจ็ดวันนะเจดวันเนี่ยคำภีร์ชั้นหลังหลังลงมาอีกไอ้ตายในเจ็ดวันน่ะมันแง่แง่อยู่แล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์อ่ะใครใครมันก็ตายในเจ็วันมันไม่ตายในวันที่แปดนี่บอกตายในวันเดียวพระเจ้ามหลินก็เลยจัดการเลยเนี่ยเนี่ยจุดอ่อนของศาสนาพุทธแหะ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 แต่ว่าพอหัดรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้สักพักหนึ่งนะก็กลับมาเพ่งเหมือนกันแหละอดไม่ได้หรอกนะนั้นจิตใจก็วนเวียนอยู่างเงี้ยจิตที่หลงไปก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้สึกตัวก็เป็นอีกดวงหนึ่งคนละขณะกันจิตที่ไปเพ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งคนละขณะกันเนะนี่ยดูมันหมุนไปอย่างเงี้ยนะมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับบางคนดูจิตที่หลงไม่เป็นก็ดูจิตที่โลภก็ได้จิตที่โกรธก็ไดนะ้บางคนชี้โมโห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 จิต ท, ที่โลภกับจิต ท, ที่ไม่โลภจิต ท, ที่โกรธกับจิต ท, ที่ไม่โกรธ้าไม่ดูเป็นคู่คู่ดูเป็นคู่คู่จะเห็นไตรลักษณ์จะเห็นไตรลักษณ์แต่และตัวไม่คงที่หรอกจิต ท, ที่โกรธก็อยู่ชั่วคราวหายไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เห็นจิต ท, ที่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วนะแป๊บเดียวโมโหอีกละห้ามมันไม่ได้ครสังเกตนะเนี่ยจิตมันเกิดดับไปด้วยต่อไปสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาใจมันตั้งมั่นขึ้นมา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 ซื้อรถมาใหม่ใช่ไหมขับไปสักพก็เก่าอีกแล้วใช่ไหมซื้อมาใหม่ๆ ม, มีความสุขเยอะอันกพักก็เก่าเก่าหรือซื้อมาใหม่ๆห่นะไปจอดไว้คนมันขีดไปรอบคันนะหัวใจแทบแตกสลายเลยนะ <c oughs> นี่ความสุขของโลกนะมันแวบแวบวบแว บ, แวบมาภาวนานะเราจะรู้เลยว่าความสุขในธรร ม, มนะนั้นเหนือกว่ากันเยอะเลยเทียบกันไม่ได้เลยความสุขในทางธรรมะ ม, มันเสถียร น, นะความสุขในทางโลกมันสัมผัสมากเลย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 ทำไมรู้กายรู้ใจแล้วเกิดสภาวะอะไรตั้งมากมายเดี๋ยวภาคสองลองฟังดูใช่หไหมเวลาคนส่งกันบ้านสิ่งที่มาส่งกันบ้านกับสิ่งที่หลวงพ่อสอนน่ะมันคนละอันกันรู้สึกไหมมันไปรู้ไปเห็นสภาวะอะไรทึ่งแปลกใหม่เฉพาะตัวขึ้นมาแต่ว่ามันอยู่ในหลักนั่นเองถ้จับหลักแม่นแม่นนะไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ผ่านได้ทั้งหมดนั้นสิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้นะ่ะคือหลักของการปฏิบัตินะ ถ่ายทอดให้หมดสิ้นนะไม่มีสงวนรักษาเลยไม่กลัวว่าจะเอาวิชาความรู้ของหลวงพ่อไปหากินนะไ้่กลัวเลยมีมกันนะมันเอาไปหากินนัไปหลอกลวงคนก็มีมงกันแต่มีน้อยนะส่วนมากก็มุ่งเอาความดับทุกข์จริงๆอ่ะต่อไปนี้เชิญไปทานข้าวแปดโมงเดี๋ยวรอบสองตรวจกันบ้าน